อูก็ตามก็ยังตอมอยู่ทั้งรู้ถ้ากิธาก็ยังตอมอยู่ในขั้นอนนาคาอรหันต์ถ้าอนาคายัางตอมอยู่ในขั้นรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วนั่นแหละทำสมบูรณ์จนส่วนภายในใจิตใจไม่มีตอมเลย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 เป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาได้ก็ ม, มีแต่แ ป, แปลนเท่านั้นี่ร้อยี่พันแปนก็เป็นแต่แปลนเรียกบ้านไม่ได้จนกว่าผู้นั้นจะถูกสร้างบ้านหลังนัง้นๆขึ้นมาตามแปลนนั้นๆให้สมบูรณ์แบบตามแปลนแล้วจึงจะเรียกว่า บ, บ้านนั้นสมบูรณ์ได้ <Yeah. S 1> การจดจาเพื่อจะไปพิสปิบัติเป็นอีอย่างการจดจําเฉยๆเป็นอีอย่าง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 ที่นี่ก็ทำให้เป็นการแสลงแทงตาทางใจของคนอื่นสะดุดใจคนอื่นเสเหมือว่าทําไมพระพูดเราว่าถือกุศสนาแล้วทําไมกลับเป็นอย่างนั้นอนั้นมันถูกเรื่องของเขาที่เขาตําเนี่เราหาที่ค้านเขาไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอมรับพบหากแนะนําการปฏิบัติออกเป็นคู่เคียงกับไปแยกแล้วผลจะเป็นการกด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 อย่างรถึงความจริงเนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องจอำปอมจำปอมเกิดมาจากที่เด็กเป็ผู้เสียสังเท่านั้นไม่ไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเสียสังที่ีปัญญาตามล้างช้าล้างให้สะอาดลงไปในของเจ้าปลวกเหล่านี้ถอนตัวขึ้นมาที่ถูกกดผ่วงครอบหน้าอุปท า, านมาเป็นเวลานานปัญญาเป็นพูดถอดถอนขึ้นมาถอนก็นมาสิไม่ปักปัเนเศษแดงาว่านั่นเป็นเราเพิ่งเรา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 เรื่องของกิเลสเป็นการพยาทายบาปเป็นการเบียดเบียนตนโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะระบาดออกไปกระเทือนคนอื่นต้องกระทบกระเทือนตนซะก่อนเบียดเบียนตนซะก่อน<ฮ>ถ้าความหมิ่ิดของจิตเกิดหน้าของจิตอย่างนี้ยสัมมาสังโปจึงต้องแก้กันตรงนี้รวมกันแล้วสัมมาสังโปูกับสมาทิฏฐิมันก็เหมือนกับว่าเชือกสองเกลียวที่ฟั่นกันเข้าเป็นเกลียเวเดียวนั่นเองแล้วแต่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 ใครจะไปติดกังกันห่วงห้ามให้นเป็นไปได้หรือพิจารณาให้เป็นไปตามความจริงของมันที่เรียกว่าคนไม้ตามลมอย่าไปขัดขวางทำโรยเจ้าให้รู้ตามความจปีนใจก็จะสบายถ้าอยู่กับกิเลสใจอยู่กับความวุ่นวายผลของความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นพวกขมันมาแล้วทีาาว่ให้ใจอยู่กับธรรม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 ในสมูทายตัวทํางคำซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอะไรเหลือแล้วนิโรดแสดงความดับทุกเพราะทิเลตดับไปจากใจในขณะนั้นขณนะนั้นอย่างเต็มผูมผู้ที่รู้ว่านทุกดับไปทิเลตดับไปเพราะสมุทายเป็นเครื่องทำลายนั่นคือวิมุตไม่ใช่สัจธรรม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 อันเป็นจุูที่ต้องการแล้วบรรไดกับเราก็หมดความหมายกันไปอย่างนั้นมีเรื่องของมรรคคือสติกับปัญญาเป็นต้นาทาหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิจิตได้ถึงขั้นแห่งความหุดพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสปัญหาสวรร์ทั้งมวลก็หมดปัญหาไปตางๆกัน mm hmm. นี่แหละคือความเด็ก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 เราเจอเต็มภูมิด้วยมัคคับติบัตาอันแหลมคม น, นี่เป็นผู้ทรงมาแล้วซึ่งสมณะทั้งสิบรวมภนาจิตใจของเราเอตมังครมุตตมังเป็นม ง, มงคลอันสูงสุดอยูที่ใจของเราเองไม่ต้องไปหาสิริมงคลมาจากไหนใจที่พ้นจากเรื่องกฎทวงทั้งหลายถึงความบริสุทธ เป็นภูมิแล้วนั่นแหละคืออันเป็นมง ค, คลอันสูงสุดเป็นภูมิอที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในที่อื่นใดสัตจธรรมก็ดีสมนาที่สี่ก็ดีหรือตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองที่สามจนกระทั่งถึงที่สี่ก็ดีอยู่กับผู้ที่รู้รู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะนาาับทราบเป็นผู้จะส่งไว้ซึ่ง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 มีเครื่องหนุนพาให้ไปเมื่อสนัดปัดสิ่งปัจจัยหรือเครื่องหนุนอะไรเชื่ออะไรออกหมดแล้วจึงหมดปัญหาหมดลงที่เสื่อมนี้ขอให้พากั น, นพิจารณาเอาให้ได้ทานี้เป็นได้มีได้สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนังกวดเรืาา่องคาสะด้วยการปฏิบัติของตนไม่ขึ้นอยู่กับเพศต่อมใเลยทั้งสิ้น มัก็ยึติดเพียงเท่านี้